70. สามัคคีสามัคคีชอบยากสูรวิลีสูวลคุณอยากสูบบุหรี่ไหมมุตเซวะกนบาว คุณอยากเต้นราไหมเช็กวักนบเช็กวกนบาคุณอยากไปเดินเล่นไหมกซบบกซิเบกาผมอยากจะสูบบุหรี่รมุทเซวามินด มุคุณอยากได้บุหรี่สักมวลไหมกินดาซิกาเรตกินดาซิกาเรติเขาอยากได้ไฟแช็กมัสเซทเลิอุนดามสเซลิอุนดาผมอยากดื่มอะไรหน่อย รามิสทาเลวามินดาสเลวาม d a, a. D a, a. ผมอยากทานอะไรหน่อย RAMIS จามามินดารามสจามามผมอยากพักพ่อนหน่อย m i n ด a ชดอาด้าวิสเวนมินดาชดวิว no ผมอยากถามอะไรคุณหน่อยราคัตมินดักกิุรัตมินกกิดขุดผมอยากขอร้องอะไรคุณหน่อยราคัตมินดักทโวุรัมิน ก, กทวผมอยากจะเลี้ยงคุณรามิซมินดักดักปติจจุต ร e เ ม, มตปิชดคุณจะรับอะไรดีครับรบรบคุณจะรับกาแฟไหมครับรบอาวบเอธวหรือว่าคุณจะรับชาดีครับ ทูเอิร์ติจิกาชายกิรช่เวนีวเราอยากจะขับรถกลับบ้านชเวนซัคชิตอสวลักวินดาชเวนซัคชิตอสุลักวินดาคุณต้องการรถแท็กซี่ไหมแทกซี่กเนบตัต อักกิ์นบาวพวกเขาอยากโทรศัพท์ควรด่าริกว่าเนยบาวต์ควรด่าริกว่าเนยบาวต์กรุณาไปที่ w w w b o o k 2 d e สำหรับหนังสือและดาวน์โหลดเวอร์ชั่นใหม่ล่าสุด